โยมบางทีก็ใจบุญเจอของดีๆนะหามาถวายพระหลวงพ่อต้องคอยตรวจพระของหลวงพ่อเลยเลยที่นี่โยมเอาของมาให้เยอะให้ใช้นิดหน่อยนะที่เหลือส่งไปอีสานส่งไปปีปีหนึ่งเยอะนะก็เป็นประโยชน์นะที่พวกเราอามาไม่ไม่เคยเอาไปทิ้งไม่เคยไปขายหรอกส่งไปช่วยพระทางอีสาน คือเราใจบุญก็ดีนะหลวงพ่อไม่ว่าเรามาถวายได้หลวงพ่อส่งไปที่อื่นนะปีกลายก็มีเอาฮีตเตอร์มาให้กลัวพระจะนอนไม่อุ่นก็นะส่งไปสุรินทีงร้อนหนาวนะพวกเราอย่าไปปลนในบัตรพระทําให้พระขี้เกียจทําพระอ่อนแอนนะส่วนในเรื่องทาบุญเราก็ดูเอาแค่ไหนพอหมาะพอควนนะ ทำมาเยอะหลวงพ่อก็ส่งที่อื่นไม่เอาไว้ต้องบอกกันไว้ก่อนนะอย่างบางคนเอาจีวรมาอยากให้หลวงพ่อใช้ถูพื้นหนึ่งใช้ตั้งหลายปีจีวร อ, อะ่ะหลวงพ่อส่งไปทางอีสานนะครูบาอาจารย์ท่านได้ใช้ประโยชน์นะปีหนึ่งปีหนึ่งนะค่าจีวรร่วมล้านนะ ท, นท่านได้ไปท่านบอกพระทั้งจังหวัดให้ใช้จีวร อ, อาจารย์ประมูลหมดเลยคือ <c oughs> <c oughs> เราทำบุญก็ทำานะแต่ว่าหลวงพ่อก็ไปทำต่อนะเรื่องเล็กๆน้อยๆ น, นะถ้าประมาทกิเลสจะสะสมอย่างรวดเร็วเลยสบายเกินไปไม่ได้ขี้เกียจอ่อนแอพวกเราก็เหมือนกันนะเราเป็นโยมบางคนรวยอะอยากได้อะไรก็มีหมดเลยซื้ออะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะบริโภคมา ก, มากๆเนี่ยอ่อนแอนะ เราต้องตั้งใจให้ดีเลยเราบริโภคเท่าที่จำเป็นเอะสินค้ามันจะได้เหลือไปให้คนอื่นที่เขาจนกว่าเราบ้างซื้อๆมาเก็บไว้โอ้เคยได้ยินว่ามีคนหนึ่งสร้างบ้านตั้งหลายหลังเอาไว้เก็บเสื้อผ้าเสื้อผ้าเจ้าหล่อนทำไมเยอะปานนั้นบ้านหลังเดียวไม่พอเก็บนะแต่ น, นายก็รวยแล้วแต่เขานะช่วยส่งเสริมอุตสาหากรรมผลิตเสื้อผ้า <laughs> พระแท้เจ้าสร้างพระให้มาเป็นต้นแบบให้พวกเราดูนะพระที่ดีเราจะใช้เบสิคมินิมัมนิดมินิมัมนะไม่ใช่แม um <c oughs> ็กซิมัมนิดเพราะแม็กซิมัมไม่มีนะเป็นเบสิกมินิมัมนิดฉันอาหารเท่าที่มีหนะลวงพ่อก็ฉันอาหารบิณฑบาตนะให้ครูบาอาตักให้ทุกวันหลวงพ่อไม่เคยเลือกเลยนะดะฉันอะไร เมื่อก่อนอยู่เมืองการชาวบ้านยากจนนะเราฉันอาหารมินทบาตทุกวันมีแต่หน่อไม้นั้นอาหารดีที่สุดของเขาร์หน่อไม้บางวันมีแกงไก่นะแต่ไม่เหมือนแกนไก่ที่พวกเราเคยเห็นหรอกเขาใช้กระดูกไก่สับหลวงพ่ออยู่ที่นั่นอยู่ได้มาห้าปีมีความสุขนะมันไม่จำเป็นล้วต้องอรู้รลาฟู่ฟ้านะจริง ยิ่งสบายมากยิ่งอ่อนแออ่ะหลงกันบ้านก็รู้สึกว่าตอนนี้มีเครียดๆแน่นๆขึ้นมาแต่รู้สึกว่าใจโล่งกว่าเมื่อวานแล้วก็เห็นว่ามันหลงไปทางทางทวารทั้งหกนะแล้วหลงทางใจเยอะที่สุดบางครั้งก็รู้สึกว่าเวลาหลงแล้วก็มีโทสะขึ้นมาสักด้วยดีอ่ะต่อไป การภาวนาไม่มีอะไรหรอกนะรู้สภาวะที่กำลังเกิดขึ้นรู้ด้วยความเป็นกลางเท่านั้นนหะอย่างนี้เขารู้สภาวะเห็นสภาวะเกิดขึ้นมาแล้วเห็นโทสะโทสะไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางกับสภาวะพวกเราไม่มีอะไรต้องทํามากมายหรอกนะสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยรู้ไปโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่อะไรเงี้ยใจเป็นบุญเป็นกุศลใจมีปีติมีความสุขใจเป็นยังไงเรารู้ลูกเดียวเลยนะ นี่พอไปรู้สภาวะแล้วจิตไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางสรุปง่ายๆคือรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางนั่นแหละรู้ไปเรื่อย อ, อยากจะเรียนถามหลวงพ่อ ว, ว่าเท่าที่ปฏิบัติมาเนี้ยค่ะลูกทำถูกทางหรือยังแล้วก็จริตของลูกเนี่ยเหมาะกับการดูกายหรือดูจิตคะอย่าไปถามอย่างนี้ที่อื่นนะเดี๋ยวมีปัญหาหเราดูเอานะ เราเป็นพวกลบมากหรือเป็นพวกคิดมากล่ะนิสัยเราอะพวกไหนคิดมากค่ะคิดมากคิดมากก็ดูจิตเห็นไหมไม่เห็นว่าต้องถามเลยบอกหลักให้แล้วไปดูเอาเองนะแล้วอะไรอีกก็ที่ปฏิบัติมาเนี่ยค่ะถูกทางถูกทางหรือเปล่าสติเกิดไหมสติเกิดกิเลสเกิดเห็นไหมเห็นค่ะเวลาจะทําผิดศีลทำเนี่ยละอายใจไหมละอายใจค่ะโอ้โหนชักลังเล <c oughs> กำลังสำรวจดูว่า <c oughs> ที่ผ่านมาสี่ห้าวันนี้ <c oughs> มีผิดศีลไปหรือเปล่าอ๋อนะเนี่ยเราดูไปนะเนี่ยเรเครื่องวัดว่าเราพาวนาถูกหรือไม่ถูกเราเคยเห็นแก่ตัวเราก็รู้จักเสียสละเราเคยทุ่ศีลเราก็มีศีลขึ้นมาเราเคยแต่ฟุ้งซ่านเราก็มีความสงบขึ้นมาเราไม่เคยรู้ทันกายรู้ทันใจตัวเองสติก็เกิดบ่อยๆอยเห็นกิเลสเกิด เ, อเยอะแยะนะ เห็นไหมมีทานมีศีลมีสมาธิมีการเจริญปัญญาถ้ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ถือว่าเจริญอยู่นะอย่างนี้ไม่เห็นต้องมาถามหลวงพ่อเราสอนหลักให้แล้วเราวัดตัวเองได้ไปดูเอาค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนมันส ก, การครับหลวงพ่อวันนี้รู้สึกสบายที่สุดเลยที่ห้าวันที่อยู่วัดแน่ล่ะวันนี้จะกลับบ้านเ <laughs> <laughs> พราะว่ามันมันเลิกพยายามมันเลิกเร่งความเพียรแล้วครับพอบมันรู้ว่ายิ่ง แยายา ม, มยิ่งเลเทกมันมีความสุขขึ้นมาพอหมดความ<ร>ดิ้นรนนะจิตใจก็สบายจิตใจมันมีความทุกข์เพราะมันดิ้นรนจิตที่ดิ้นรนเนี่ว่ามันสร้างภพมดิ้นรนมันทํางานมีภพเมื่อไหร่มันก็มีชาติมีทุกข์ขึ้นมาเมื่อนั้นใช่ไหมตอนนี้จิตไม่ได้ดิ้นรนจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ทุกข์หรอกนะเดี๋ยวผมจะกลับไปอยู่กับโลกอีกแล้วหลวงพ่อมีอะไรแนะนำไหมครับอยู่กับโลกก็อยู่อย่างฉลาดอยู่อย่างเท่าทันอย่าอยู่แบบเป็นขี้ข้ามัน นะอยู่อย่างเท่าทันโลกนะวิธีที่จะเท่าทันโลกก็คือต้องเท่าทันใจตัวเองโลกมันมาหลอกเราไม่ได้หรอกแต่เราหลอกตัวเองอย่างเขาโฆษณาขายของเยอะแยะใช่ไหมมันมาหลอกให้เราซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้ถ้าเราไม่โลภอย่าคนมาด่าเรานะี่ฮมันจะด่าสักกี่คนก็เรื่องของมันเราเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่โกรธนะ งั้นตัวที่ทําให้เราเดือดร้อนนั่นก็คือกิเลสในใจเราเองเราอยู่กับโลกอย่างเท่าทันนะสิ่งที่มากระทบดีบ้างร้ายบ้างโลกมีอะไรโลกมีราบมียศมีสารเสริญมีสุขมีเสื่อมราบเสื่อมยศมีนินทามีทุกข์โลกเป็นอย่างนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องรู้ว่าโลกเป็นอย่างนั้นโลกไม่ได้มีด้านเดียวมีแต่ราบยศสารเสริญสุขด้านเดียวไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เราอยู่กับโลกเรารู้ทันจิตตัวเอง นะลาบยศเสรรสนสุขเกิดขึ้นดีใจเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์เกิดขึ้นเสียใจรู้ทานใจดีถ้าใจเข้าสู่ความเป็นกลางนะเราอยู่กับโลกเรียกว่าเป็นกลางโลกไม่กระทบกระทั่งลนะเรียกว่าคนพ้นโลกหลวงพ่อถามนิดนึงผมตอนนี้ออตึงไปหรือหย่อนไปในการพอดี<ป>วันนี้นะก่อนหน้านี้ตึงไปขอบพระคุณครับแต่แล้ว่าระวังนะอยู่กับโลกก็ตึงไปนิดนึงเพราะมันพร้อมจะหย่อน วันนี้จิตรู้สึกตึงเครียดกว่าสามสี่วันที่ผ่านมาค่ะโหโหไม่อยากกลับบ้างค่ะแล้วก็มันมีอาการกลับไปยุดอีกค่ะรู้ไปด้ยวยความเป็นกลางค่ะอ้าวต่อไปนันการาลหลวงพ่อครับรู้สึกวันนี้รู้สึกแข็งน้อยลงครับเออดีแล้วก็เมื่อวานผมเลิกปฏิบัติเลยแล้วนอนตอนที่ผมนอนอยู่บนกุฏิอะครับอนอนกิ้งไปกิ้งมาแล้วผมสังเกตใจครับ เหมือนมีมีอะไรห่อหุ้มอะครับห่อหุ้มเสร็จปุ๊บเวลาที่ผมลงไปทางโมหะไอสิ่งห่อหุ้มจิตใจนี้ไปไปพร้อมพร้อมจิตไปเข้ากับโมหะ <Yeah. S 2> ครับแต่แล้วผมก็ดมูมันก็เห็นแค่นะครับผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับไอหมมบสิ่งที่ห่อหุ้มอะครับสิ่งที่ห่อหุ้มเนี่ยไม่หายนะจนวันที่เป็นพระอราหันต์ถึงจะหาย จิตมันเหมือนถูกขังอยู่ตลอดเวลาจิตทราไม่มีอิสระจิตเราไม่ได้หลุดพ้นจิตเราถูกอาสวะกิเลสเนี่ยห่อพุ่มแล้วก็ย้อมอยู่ตลอดเวลาเลยครับนะแล้วก็รู้สึกนี่รู้สึกสบายตั้งแต่สบายมากกว่าวันแรกวันที่สองจนถึงวันสุดท้ายครับอืมก็เพิ่งรู้ตัวเองว่าของดูของง่ายๆทําทให้เป็นของยากเออนั่นแหละนะ <laughs> ดีที่หูรู้ ทรรมาน่ของง่ายนะครับทำของง่ายให้ยากเรากหลพ่อช่วยแนะนำหน่อยครับไปดูนะเราอยู่กับโลกใจเราช่างฟุง้งซ่านเราไปดูใจฟุง้งซ่านแนะอเอาคุณมันเจดิดเอาซะหน่อยเล่าหน่อยสิไปทำอะไรมาที่โลกงปูดูลนะ่ะก็นั่งนั่งเล่ น, นครับนั่งเล่นอยู่เฉยๆก็ความคิดมัน ไอ้ตัวตนมันเกิดเพราะความคิดนะฮะอยู่มันก็แวบมาจิตมันก็ไปเห็นอืมครั้งแรกก็ผ่านไปเอ๊ะอะไรแล้วเขเกิดมาอีกอืมเกิดมาซ้ำซ้ำซ้ำโอ้ภาวนาอย่างงนี้เองครัมคือถ้าเราไม่ตามจิตไปแล้วก็เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เอราไม่ใช่ส่งจิตออกนอกสิเนอะครับเห็นแต่ว่ามันผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนความเป็นตัวตนมันเกิดทีเผลอคือพวกคิดพวกนึกนะครับผอืม เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปร่งผู้แต่งเนาะไปดูอีกไปพ่อนาเก่งนะแต่ตอนเนี้ที่มันซึมไปเนี่ยเพราะอาหารนะไม่ใช่เพราะจิตนึกออกไหมครับอบไม่ใช่จิตเสื่อมคนท่อายุเยอะขึ้นเนี่ยพอกินข้าวเข้าไปมันจะซึมเลือดมันไม่ขึ้นสมองเราั้นเราอย่าไปตกใจว่าอว้ยกรรมฐานเสื่อมซึมไปไม่ใช่อะะนครับนะ จิตส่วนจิตหน้าร่างกายส่วนร่างกายร่างกายก็ซึมซึมไปตัว น, นี้ก็ต้องฝึกเหมือนกันเวลาที่เราเจ็บป่วยมากๆอ่ะบางทีเจ็บป่วยมากๆนะร่างกายมันซึมเซาไปหรือเราถูกหมอมโดบยามากนะซึมซึมไปอนยะ่างเงี้ยเราจะภาวนาไงมันไม่รู้มันไม่ตื่นมันไม่เบิกบานเต็มที่เราไม่ได้ไภาวนาให้มันสว่างขึ้นมามันซึมรู้ว่าซึมนารู้ด้วยความเป็นกลางจิตที่เป็นกลางนะั่นไม่ซึมหรจิตที่เป็นกลางไม่มืดไม่มัวนะครับ เวลาเราจะตายแล้วร่างกายมันซึมเซาไปนะแล้วก็ดูมันตายไปใจเราไม่ได้เดือดร้อนกับมัน ค, ค่อยๆฝึกวิธีฝึกซ้อมตอนตายก็คือซ้อมหลังกินข้าวนี่แหล ะ, <c oughs> ะเวลากินข้าวแล้วมันซึมเห็นไหมในความซึมนี่ยเราจะภาวนาไงไม่ใช่เราจะภาวนาได้เฉพาะตอนที่ดีนะตอนที่ร่างกายเราแย่ลงเราก็ต้องซ้อมนะลองซ้อมดูครับขอบคุณครับรู้สึกไหมจิตสว่างขึ้นแล้ว คุยกันยอดสว่างขึ้นสังเกตสังเกตอยู่เหมือนกันครับว่าไปนั่งใกล้ๆครูบาอาจารย์ไม่ใช่กับเฉพาะพระอาจารย์ปโมทนะครับพระอาจารย์องอื่นผมก็ภาวนาได้ดีเออก็ดีแล้วแต่อย่างนั้นดีแบบดาวพระเคราะ์นะต้องให้ดีแบบดาเลือกดีได้ตัวเราเองนะแต่ันนั้นใช้เป็นสื่อบางคนก็ขี้โกงนะ เวลาจะพอนามนึกถ so ึงหลวงพ่อปุ๊บจิตเย็นสบายแล้วต e ื่นขึ้นมาโอ้สบายไม่ต้องทำสมถะเองยี่กโงก็ใช้ได้เหมือนกันอาต่อไปเชิญเอารูดรนะช่วยส่งใหม่ไปทางนี้นั่นแหละต้องพูดแทนเลยนะเขาบอกว่าการมาภาวนาครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้คาสอนของหลวงพ่อและการฝึกฝนที่ผ่านมาของตัวเอง ใจที่มันยึดความต้องการว่าจะใช้ห้าวัน้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด ต, ต่อการภาวนาโดยไม่ได้รู้สึกถึงความยึดถือนั้น <c oughs> แล้วก็ละเลยความจริงของกฎอนัตตาว่าการตั้งใจที่จะบังคับแบบนั้นมันไม่ฉลาดเลย เห็นได้ชัดว่าโมหะเนี่ยมันเกิดจากมิจฉาทิฏฐินั้นทั้งหมดเลาวอวิชชาแล้วก็ราคะที่ทํางานในขณะนั้นน่ะทำให้มันก็อยากมากขึ้นแล้วก็มีโทสะแล้วก็กิเลสอื่นๆอีกมากมายแทนที่จะทําตามสิ่งที่เรียนรู้จากคําสอนจิตใจมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลยจากสภาพทุกนี้ในสองวันแรกอาจจะเป็นเพราะว่าความรุนแรงของโมหะเนี่ยมันบดบังจิตใจทั้งหมดเลยแต่พอเห็นแล้วใน3วันหลังถึงจะได้ภาวนาค่ะเป็นปกตินะมาอยู่วัดนะสองวันแรกเปร์ทุกรายล่ะ นะพอมากับโรคจากโรคข้างนอกเปยด้วยสองส่วนหนึ่งเมาหมัดมายังเมาไม่หายนะถูกโรคซ้อมมาอีกอันหนึ่งไม่ได้เมาหมัดมานะแต่พอมาอยู่วัดเนี่ยตั้งใจมากเราต้องใช้เวลาทุกนาทีให้เป็นประโยชน์ที่สุดกลายเป็นโลภะนะไปเเคี่ยวเขียนตัวเองแล้วใจมันเครียดขึ้นมานะั้นก็มีสองแบบพวกมาอยู่วัดสองสามวันนะวันที่สเนี่ยถึงจะเริ่มดีโดยธรรมชาติโดยเฉลี่ยนะ วันที่สี่เนี่ยดีแต่ตอนบ่ายๆของวันที่สี่เนี่ยเริ่มฟุ้งซ่านละเตรียมจะกลับบ้านนะเป็นวงจรอย่างเงี้ยเหมือนกันทุกไลนนะเราก็มีหน้าที่ตามดูไปจริงๆการภาวนาไม่ใช่ว่าจะเร่งความเพียรแบบไหนแบบไห น, แบบไหนถ้าเรามีสติอยู่เนืองๆเนี่ยมันเร่งความเพียรอยู่ในตัวเองแล้วมันเร่งมากกว่านั้นไม่ได้หรอกมันเร่งมากกว่ามีสติไม่ได้แล้วนะเรมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจไปด้วยก็ได้แค่นั้น ถึงเวลาเขาพอเขาพอของเขาเองนะต่อไปใครจะคุยชวนเบอร์สามสิบหกกับนวัสการหลวงพ่อนะครับอยากจะเรียนถามหลวงพ่อหน่อยว่าสําหรับคนที่จะเริ่มหัดปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคนนี้กําลังมีความโทุกะครับอยากจะเรียนถามหลวงพ่อให้ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าจะทํำไงถึงจะถูกจะริบของตัวเองทุกมากหรือทุกน้อยอะ มากครับทุกมากนะตอนนี้ต้องหาทางผ่อนคลายก่อนถ้าทุกมากมันเครียดอนะไรเงี้ยอยู่ๆจะไปภาวนาให้หายเนี่ยมันบากนะให้เราค่อยรู้ทันใจของเราไปนะใจเราที่มีความทุกข์มากเนะี่ยเพราะเราไม่อยากให้มันมีปัญหาอยากให้ปัญหามันหมดไปนะต้องค่อยๆหัดสังเกตนะความทุกข์กับปัญหาเนะี่ยเป็นคนละอันกันยกตัวอย่างอกหักเนะี่ยอกหักไม่ใช่ความทุกข์นะอกหักเป็นปัญหา ตกงานเป็นปัญหาคนที่เรารักทิ้งเราไปเป็นปัญหาพ่อแม่เราตายเป็นปัญหารถคว่ำไฟไหม้สุขภาพไม่ดีสีเล่านี้คือปัญหาทั้งสิ้นเลยแต่เมื่อปัญหาในชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าใจเราไม่ชอบมันใจเรามีความอยากเกิดขึ้นนะอยากให้ปัญหานี้หมดไปใจมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นดังนั้นค่อยๆสังเกตใจของเราไปปัญหากับความทุกข์เป็นคนละอย่างกัน ปัญหาเนียเราเลี่ยงไม่ไดนะ้ปัญหามันเกิดตลอดแต่เรื่องโน้น mm. เ, เรื่องนี้แต่ใจของเราเนี่ยไม่ถุกได้เพราะฉะนั้นแค่สังเกตใจที่อยากให้มันสิ้นปัญหาใจที่ปฏิเสธปัญหานะอย่างสมมติว่าแฟนทิง้งแฟนทิ้งเนี่ยเราอยากให้เขาคืนดีกับเราเงี้ยมันเป็นความอยากฝ่ายเดียวเป็นความอยากที่ไรเดียงสาเราก็รู้ทันใจของเราใจเรามีความอยากใจเรายิ่งมีความทุกข์ ถ้าใจเรายอมรับความจริงได้นะว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวนะความทุกข์ก็จะผ่านไปเหลือแต่ปัญหานะไม่นานปัญหานั้นก็หมดไปไม่มีปัญหาอะไรที่คงทนถาวรตลอดไปหรอกนะมีไหมปัญหาที่มีตลอดไม่เคยเปลี่ยนไม่มีในชีวิตเรานี้เต็มไปด้วยของชั่วคราวนะเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาแบบนี้ค่อยๆคิคดพิจารณาไปนะสอนตัวเองไปว่าปัญหาทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของโลก ถ้าเราปฏิเสธปัญหาเราไม่พอใจเราอยากให้มันหมดไปเรายิ่งมีความทุกข์ทางใจนะแล้วก็คิดสอนตัวเองไปปัญหาทั้งหลายไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนไม่นานมันก็ผ่านไปนะปลอบใจมันบ้างนะแล้วพอใจเรามีความสุขขึ้นมาก็ไม่หลงระเริงกระโลยนะคราวนี้ต้องซ้อมภาวนาล้เผื่อจะเจอความทุกข์ข้างหน้าอีกนะคอยรู้ทันจิตของตัวเองเนืองๆไป ไม่มีหลอกปัญหาที่ไม่ผ่านไปนะอะาหกสิบหทุกวันนี้ปฏิบัติดูจิตอยู่แล้วค่ะทีนี้จะขอหลวงพ่อช่วยต่อยอดว่าควรจะทำในต่อดูต่อค่ะก็ดูต่อสิดูต่อไปเรื่อยๆเออดูต่อไปเรื่อยๆนะมีงานมีการอะไรในวัดเราก็ทำไปนะทำงานไปแล้วเห็นร่างกายมันทำงาน ทำงานไปแล้วจิตขยับเยื่นเคลื่อนไหวเรารู้ทันนะเมื่อเราดูทั้งกายดูทั้งจิตไม่ได้ดูจิตอันเดียวน ะ, ะร่างกายทํางานไปค่อยดูไปด้วยจิตทํางานก็ค่อยรู้ไปที่ภาวนายอยู่ใช้ได้แล้วน ะ, ะรู้สึกไหมจิตมันไม่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกอ่ะรู้สึกว่าเมื่อ ก, ก่อนนี้กิเลสเยอะมากได้มันก็ลบไปแต่มันก็ยัง ม, มีเยอะมีก็ ม, มีสิ กิเลสส่วนกิเล ส, สจิตส่วนจิตมันไม่ใช่อันเดียวกันเนี่ยแต่ก็รู้ว่า ม, มันลดไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมถ้าจิตอยู่ส่วนจิตกิเลสอยู่ส่วนกิเลสแล้วอะไรจะเดือดร้อนล่นะก <laughs> ิเลสเหมือนน้านะจิตเหมือนดอกบัว <laughs> ดอกบัวไม่เปียกน้ําไม่เห็นเป็นไรเลยนี่มันมีปัญหาตรงกิเลสมันยอมจิตเราได้ให้เรามีสติรู้ทันไปนะต่อไปกิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตคนละเรื่องกันดีฝึกอยู่ไลนยหนึ่ง กับนมรศการหลวงพ่อครับปีก่อนมาขอการบ้านหลวงพ่อไปหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูกายผมก็ไปดูดูไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็ไปเพ่งแบบอย่างรุนแรงเลย อ, อย่างหนักมันมันไปรู้เอาตอนหลังว่าจงใจพยายามทำํมทำทําตลอดเลยมาเดือนเนี้ยมันก็ ย, ยังชั่วขึ้นก็ก็เลยว่าไอ้ที่ตอนกําลังทําอยู่เดือนเนี้ยถ้ามันที่มันก็ ย, ยังชั่วเนี่ยควรปรับ ปรุงแล้วก็จะต้องมีตรงไหนที่จะต้องเดินต่ออย่างไ น, นที่จริงเราปรับความเข้าใจของเราเองนะแต่เดิมเรายังพยายามบังคับตัวเองอยู่บังคับอยู่ก็ทุกสิ น, นี่พอม า, มาหัดรู้หัดดูเรื่อยๆใจมันสบายขึ้นรู้สึกไหมไปหัดรู้ไปๆนะเขาขึ้นธรรมดีแล้วรู้สึกไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมแล้วใครรู้ครับรู้สึกไหมมันโปร่งโล่งเบาขึ้นรู้สึกสบายขึ้นสบายขึ้นนะนี่เราไม่เพลินนะ สบายแล้วเราก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตมันเคลื่อนไหวดูไปเรื่อยๆแต่ไม่เพ่งถ้าเราลืมกายลืมใจเรียกว่าเผลอถ้าเราไปจ้องไว้นะไปเพ่งกายเพ่งใจเรียกว่าเพ่งสองงานนี้ไม่เอาเอาแค่รู้กายรู้ใจนะเนี่ยตอนแรกๆเราเคยชินที่จะเพ่งแล้วก็มาค่อยรู้ค่อยดูยิ่งเพ่งยิ่งทุกยิ่งเพ่งยิ่งทุกนะอะฝึกไปฝึกไปใจมันค่อยๆปรับตัวของมันมันลดการเพ่งลงใจก็โป่งขึ้นปลป่งขึ้น ไปมันรู้ว่าที่พอดีก็คือตรงที่รู้นั่นแหละทีนี้ภาวนาง่ายแล้วไปทำต่อโมทนาเมื่อเจ็สิบสองมัสการครับหลวงพ่อครับขอการบ้านนะครับฮะขอแล้วเหรอภาวนาเป็นไงบ้างนะ่ะก็เหมือนจะรู้เล่นๆกับขี้เกียจเนี่ยอะไร น, ะรไนรดังๆไม่ได้ยิน รู้เล่นๆกับขี้เกยียจนะครับไม่ทราบเหมือนอยู่ตรงไหนมั้งครับรู้บ่อยๆสิอย่าขี้เกยียจที่รู้อยู่ยใช้ได้นะสังเกตไหมใจเราโปร่งร่งเบาขึ้นใจเรามีความสุขนะใจเราสบายเราไม่เพลินไม่เผลออยู่แค่นี้หรอกมันสุขได้เดี๋ยววันหนึ่งมันยังทุกได้อีกนะยังไม่พองั้นเราคอยมีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ใจลอยรู้จักไหมใจไหลไปคิดให้กันบ้านนะต่อไปนี้ใจไหลไปคิดเรารู้ไวๆนะ เบรนกานมัสการนะหนูส่งการบ้านในรอบสามเดือนนะคะในรอบสามเดือนที่ผ่านมาหนูก็ไปเห็นว่าที่หนูปฏิบัติมาปีครึ่งอะคะ่ะมันเกิดจากความอยากแล้วก็เพ่งแล้วก็ก็เลยเปลี่ยนการเปลี่ยนการภาวนาใหม่ะคะ่ะคือตอนนี้หนูรู้สึกว่าการภาวนาที่ภาวนาอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมที่ทำ ทำมาคื อ, อมันก็จะมีหลงบ้างมีรู้สึกตัวบ้างค่ะไม่ทราบว่าที่หนูปฏิบัติอยู่เนี้ยคือถูกทางยังไงใช่ไหมครับใช่ค่ะสังเกตแม่จิตนี่ไม่คงที่หรอกใช่ค่ะสังเกตแม่จิตนี่บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้รู้ไม่ได้นะห้ามหลงก็ไม่ได้ใช่ค่ะคือตอนเพ่งอยู่อ่ะหนูจะไม่เห็นว่ามันมีเสื่อมมันมีเจริญแต่ตอนเนี้ยเห็นชัดนะคะใช่ ตรงที่เราเพ่งอยู่เป็นสมถะสมถะไม่ทําให้เกิดปัญญาคือไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นเสื่อมและเจริญนะเราเดินถูกต้องเราไม่ได้เพ่งให้นิ่งเราแค่ทําตัวเป็นแค่คนดูดูสบายๆเราจะเห็นมันแปรปรวนตลอดเวลาค่ะลูก <c oughs> คือหนูไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยหนูจะเดินจงกรมดีหรือว่าทํารูปแบบโดยทํำงานบ้านดีอคะค่ะทํางานบ้านไหมน ะ, ะเราเป็นคนขี้โมโหไปทําอะไรซ้ํำๆเดี๋ยวโมโหขึ้นมาอีกนะ แต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องทำในรูปแบบนะ <c oughs> แต่บางคนก็ใช้วิธีนั่งสมาธินั่งดูเอาบางคนก็เดินแล้วแต่ถนัดอย่างบางองค์พระบางองค์ท่านก็ชอบเดินจงกรมอย่างหลวงพ่อไม่ชอบเดินจงกรมเดินไม่ถนัดนั่งสบายกว่าตอนนี้นะมีประคองอยู่นิดนึงใช่ไหมใช่ทาดีละไปดูต่อแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกร้นะ18 3, 18 3อยแปดบสปดบอยู่ข้างหน้า ตอนนี้มาใช้แบบใช้การสดมนค่ะเป็นวิหารธรรมนะครับว่าตอนนี้มันอยู่ในหลวงพ่อเคยใช้พัดเป็นวิหารธรรมนะนั่งพัดอยนะ่าเงี้ยแล้วรู้สึกตัวเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวบ้างวิธีพัดแล้วสบายใจรู้ว่าสบายใจนะเนี่ยฝึกสมัยโน้นนะนานนะพัดอย่างเงี้ยพอถึงหน้าหนาวนะมันสยองนะจะโบกนะแต่ก็ต้องยอมภวนา ใช้ใช้บทสวดมนต์แบบนี้มันมันยังอยู่ทำให้ยังเรายังอยู่ในล่องในลอยอยู่หรือเปล่าคะหลวงพอ่ออยู่เสร็จนะทำต่อนะแต่ว่ากําลังของสมาธิอ่อนไปนิดนึงรู้สึกปบบรู้สึกค่ะใจมันเบาเลยล่องล่องลอยๆยมากไปภาวนาให้มันแรงแรงกว่านั้นนะ ต, ต้องสวดมนต์ให้แรงกว่านี้ใช่ไหมหลวงพอ่อใช้บทไหนใช้บทสวดของทิเบตนะคะหลวงพอ่อไหนลองสวดให้ฟังซิอ้งว่าไป โอ้วัชระสัตต์อหมอาแค่เนี้ยเหรออย่าสวดแล้วให้ใจมันอ่อนๆเบาๆไปนะสติมันอ่อนไปพยายามรู้สึกกายให้เยอะๆไว้เคลื่อนไหวไหว้เรารู้สึกดีกว่าไปสวดอย่างนั้นตอนนั้นเบาไปแปเก้าสิบปดกรรมลพ่อค่ะคือหนูไม่ได้ส่งการบ้านมาปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็ ตอนนี้ตื่นเต้นแต่แล้วมันก็ไปวุ่นวายกับความตื่นเต้นนะคะแล้วกออ็ในรูปแบบที่หนูทําอยู่ตอนนี้คือสวดมนต์นะคะแต่หนูไม่ทราบว่ามันจิตเป็นยังไงขณะเนี้ยจิตเป็นยังไงบอกมาซิขณะนี้ตื่นเต้นแล้วก็ไปวุ่นจิตตั้งมั่นไหมไม่ตั้งมัน่นจิตไปอยู่แถวไหนหนูว่ามันกดไว้นิดๆนะค ะ, ะนะรู้ทันอย่างนี้ก็ดีแล้วแล้วในรูปแบบหนูควรจะเพิ่มอะไรหรือเปล่าคะกระดุกกระดิกไหมหางานทำกวาดบ้าน ถูบ้านบ้านเราเสร็จแล้วปกวาดข้างๆก <c oughs> วาดหน้าบ้านอะไรเงี้ยหางั น, ะงงนทําไป <c oughs> เคลื่อนไหวไว้ดีนะคนยุคนี้โง่ที่สุดเลยไม่ค่อยเคลื่อนไหวไม่ทํางานอนะ่ะใครยังซักผ้าด้วยมือบ้างมีไหมโมทนานะ <c oughs> ดีที่สุดเลยซักผ้านะดีมากเลยเรากลับไปใส่เครื่องไปหมดเลยพอใส่เครื่องเสร็จแล้วก็ดูทีวีนหะลงไปเลย ความจริงซักผ้านะเคลื่อนไหวหน้าหนาวเนี่ยซักผ้าเจริญสติดีที่สุดเลยนะ<ช>ดูกายก็ชัดดูจิตก็ชัดมันชัดไปหมดเลยนะซักได้สักชั่วโมงหนึ่งนี่นะโอ้โหได้ภาวนาตั้งเยอะเลยใครมีเครื่องซักผ้าก็อย่าไปใช้มันบ่อยนะลองซักด้วยตัวเองดูมีคนใช้ก็ไล่คนใช้ไปก่อนวันนี้ขอขวัดบ้านบ้างลองดูนะทํางานดีที่สุดเลยพระนะท่านต้องทํางาน ต้องกวาดต้องทำอะไรต่ออะไรอย่างนั้นถึงจะดีเพราะว่าร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเราเคยรู้สึกนะความรู้สึกมันจะชัดะจะมานั่งแลาท้อเราถวยไปทั้งวันไม่ได้กินหรอกใจมันอ่อนไปเจ็ดสิบห้ากราบนรรมสการ์หลวงพ่อค่ะก็ช่วงนี้ก็ยังฟุ้งเยอะแล้วก็เกือบทุกครั้งที่รู้สึกตัวก็คือจะ มีแต่โทสะตลอดอดีที่รู้นะถ้าไม่รู้นี่ลำบากมากเลยเพราะจิตเรามีโทสะยืนพื้นจิตที่คุ้นเคยกับโทสะนะแล้วก็ถ้าตายไปด้วยจิตดวงนี้จะไปไหนรู้ไหมทราบค่ะทราบแล้วใช่ไหมเพราะงั้นบุญหนักหนาแล้วหน้าที่เราเห็นนะถ้าเราเห็นอะไรจะไม่ไปหรอกแต่หนูเห็นแล้วก็ยังรู้สึกแบบหนูมันมีโทสะทอซ้อนโทส ะ, ะ <c oughs> ให้รู้ทันว่าจิตไม่ชอบ นะรู้ลงไปด้วยรู้จิตมันไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางรู้ยงี้บ่อยๆค่ะแล้วก็จะชอบแบบเวลาเผลอๆที่รู้สึกตัวน้องสากจะเห็นโทรศัพท์แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบชอบเป็นินทาคนอื่นอย่าออกปากไหมพูดไหมไม่ค่ะไม่แค่คิดในใจเอเรารู้ว่าใจมันพูดได้เองค่ะเ ร, เรารู้ว่าใจมันคิดต้องทามใ้ก่อนแมงวี ม, มจะมาเข้าหูด้วยเลยหูเรายิ่งกลางๆอยู่ <laughs> แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะหลวงพ่อที่แบบเพลอแล้วก็เห็นว่าตัวเองกำลังแบบดินทาคนอื่นแต่ว่าตอนที่เห็นเนี่ยคือรู้สึกว่าแบบคนที่มันพูดมันไม่ใช่เราใช่มันไม่ใช่เราหรอกรูปผีตัวไหนมันซ่อนอยู่มันพูดได้เองนะรู้สึกไหมมันพูดเองแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งที่ที่จะเป็นอย่างนี้คือไม่เป็นไรยังดีที่เคยเห็นดูลงไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งจะเห็นความจริงนะในกายในใจในี่ไม่มีเราสักอันเดียวเลย ร่างกายก็ไม่ใช่เรานะเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนถุงหนังใบหนึ่งโป่งเข้ายุบออกอะไรเงี้ยโป่งโ ป, ไป่งุ๊บยุบหรือว่าดูจิตใจนะก็มีแต่ทํางานได้เองขยับขยเยน่นเคลื่อนไหวปรุงดีปรุงร้ายทางานออกมาอ ง, องใช่เหรเห็นแบบมันเปลี่ยนตลอดบ่อยมากนั่นแหละให้รู้ด้วยควาเป็นกลางจุดปัญหาตอนนี้คือไม่เป็นกลางมีโทสะให้รู้ทันใจที่มีโทสะไวหลวงพ่อคะแล้วแบบ หนูไม่แน่ใจว่าแบบว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นอะไรอย่างเงี้ยดูม่ออใช่จิตไม่ตั้งมันม่นเป็นคนฟุ้งซ่านฟุ้งเก่งเดือบกไหมดูออกค่ะวิธีจะช่วยตัวเองได้นะก็หากรรมฐานมาสัก น, นึงเช่นพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธซ้อมอ่ะเป็นการซ้อมรู้ตัวพุทโธพุทโธพุทโธไปพอจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดแล้วก็มาพุทโธอีกพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดอีกรู้อีกนะรู้อย่างนี้บ่อยๆจิตจะไม่หลงไปนานไม่ฟุ้ง หนึ้าสิบหนึ่งอยู่ข้างหลังอาจารย์ครับมหาอาจารย์เมื่อครั้งที่แล้วเมื่อเจ็ดเดือนแล้วครับอาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าให้ไปดูอยู่เรื่อยเลยก็ดูอยู่เรื่อยๆครับแต่จะมาเรียนถามว่ามีอะไรควรเพิ่มอะไรบ้างเลยเห็นเยอะแยะไปหมดเลยครับรู้สึกว่าก็กรู้เห็นกิเลสมากขึ้นนะครับอาจารย์ครับแ ต, แต่ว่าไม่รู้ว่าจะ ต, ต้องเพิ่มต้องลดอะไรไปบ้างครับอาจารย์ครับ ถึงตอนนี้เราถ้ามีวิหารธรรมไม่อันหนึ่งนะจะช่วยให้เราภาวนาได้เข้มแข็งขึ้นอาจจะเอาร่างกายก็ได้ใช้ลมหายใจก็ได้ใช้พุทโธก็ได้นะเป็นเครื่องอยู่ของจิตครนะจิตจะได้มีแรงจิตของคุณตอนนี้แรงมันน้อยไปนิดนึงครับมันฟุ้งคงั้นเราอาจจะอยู่กับพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธถ้าไม่ชอบพุทโธเอาอื่นก็ได้คําอื่นก็ได้ครับบางคนท่องชื่อแฟนโดยซ้ำไปใช้ได้เหมือนกันนะพุทโธพุทโธไปแล้วใจลอยแล้วรู้ ไม่ได้ฝึกไม่ให้ใจลอยนะแต่พุโทโธแล้วใจลอยแล้วรู้ครับฝึกนี้บ่อยๆบ่อยๆใจมันก็ค่อยตั้งมั่นสงบเข้ามาครับตอนนี้กําลังของสมาธิคุณอ่อนไปครับมันเดินปัญญารวดไปเลยแต่ว่ามันขาดสมาธิหนุนหลังครับนะงั้นพุโทโธไปบ้างถ้าไม่ชอบพุโทโธมารู้ลมหายใจก็ได้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอย่างนี้เรื่อยๆไปครับแต่ว่าเวลาทําในรูปแบบอะครับหลังๆมันก็จะเคลิมนครับ ไม่รู้จะทำยังไงให้มันแกนกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวไหมครับนะบเดินจงกรมอะไรเงี้ยครับอ่ะต่อไปสามสิบสี่นมาสการหลวงพ่อครับคือที่รู้อยู่ตอนนี้ก็จะมีฟุง้งซ่านแล้วก็มีโทสะแล้วก็ราคะก็รู้บ้างทีนี้เวลารู้เหมือนกับว่าไปจงใจไปดูครับถ้าจงใจรู้ใจเราแน่นๆนะ ใจเคลียดเคียดแน่นๆแข็งแข็งไม่สบายรู้ว่าจงใจไปแรกๆก็ต้องจงใจไว้ก่อนก็ก็คือรู้แบบนี้ก็ใช้ได้ใช่ได้นะต่อไปมันจะค่อยๆลดความจงใจลงมันอย่างคุณเสื้อสีส้มๆเนี้ยแต่เดิมเพ่งแรงนะแรงกว่าคุณตอนนี้เพ่งอย่างแรงเลยเนี่ยเขาค่อยๆรู้ค่อยๆรู้มันคลายออกคลายออกนะขคุณมีปัญหาไม่เฉพาะเพ่งหรอกพอเลิกเพ่งแล้วคุณฟุ้งซ่าน เป็นคนที่ฟุง้งซ่านเก่งนะเพราะนั้นคุณพุทโตไว<ๆ>้เรื่อยดีกว่าพุทโตพุทโตพุทโตไปถ้าไม่ชอบพุทโตเอาคําอื่นก็ได้นะชอบสัมมาหังชอบอะไรได้เท่านั้นอะ่ะก็คือให้ทําสมาธิด้วยใช่แต่บริกรรมไปไม่<ด>ต้องทำล <ง S 1> มาหายใจหมครัเอออะไรนะดูลมหายใจดูลมแล้วอย่าให้เคลิบนะลมเนี่เล่นยากถ้านะบริกรรมเนง่ายกว่าพุทโธทโมสังโกอะไรย่างเี้ก็ได้ ช่องสวดมนต์สั้นๆนโมตัส萨ภคะวะโตอะไรเงี้ยเอาสั้นๆท่องไปแล้วพอใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ได้เพิ่มพลังของสมาธิขึ้นหน่อยนะสมถะน้อยไปใจมันฟุ้งถ้าใจฟุ้งสั้นภาวนาลำบากนะร้อยเจรบคุณครับกล่าวนมัสการค่ะหนูเพิ่งมาเป็นครั้งแรกคร่ะ หนูควรจะดูกายหรือว่าเวทนาหรือดูจิตอะค่ะแล้วหนูอันนี้ใส่เป็นยังไงตอบได้ไหมคือมันเป็นบางช่วงอะค่ะบางช่วงหนูก็ดูเวทนาไดหนูไปดูดูอะไรได้อรอเนี่ยแหละแต่ที่จริงอะหนูเป็นคนช่างคิดนะเป็นคนคิดมากหนูดูจิตตัวใจไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดูอย่างอื่นดูจิตเป็นหลักไว้แต่ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกนะหนูขอกันบ้านนะคะนี่ไงให้ไปดูไง นะแ่นถ้าใจแอบไปคิดก็รู้ทันใจแอบไปคิดก็รู้ทันแค่นี้ก็เป็นพระอรหันได้จะเอาแค่ไหนแค่นี้ก็แค่นี้ค่ะหนะนูรู้เปล่าดูจิตเฉยๆได้แหละนะสมถะก็ได้นะมิปัสนาก็ได้ศีลก็มีสมาธิก็มีนะอย่งดูจิตแล้วมีศีลได้ยังไงดูจิตแล้วพอเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นมาเนะี่ย กิเลสมันเกิดปุ๊บเรารู้ทันเลกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้เราจะไม่ผิดศีล น, นะพอใจมันฟุ้งซ่านขึ้นมาเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านจะดับไปใจจะมีสมาธิขึ้นมานะเสร็จแล้วเราก็จะเห็นนะจิตใจมันขยับกระยื่อนเคลื่อนไหวมันปรุงมันแต่งทั้งวันเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนไปนี่มันไม่เที่ยงตลอดเลยแล้วมันบังคับไม่ได้นี่เห็นไตรลักษณ์นะนี่คือวิปัสสนานะ งั้นการที่เราคอยรู้ทันจิตตัวเองเนี่ยนะศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเกิดพร้อมเลยอ่ ะ, อ ะ, อะต่อไปเบอร์ร้อยเจ็ดสิบสี่กราท่านค่ะรู้สึกช่วงนี้แผ่วๆค่ะขยันสิฟิตเตอ<ป>อยู่ดีๆก็เลิกปฏิบัติไปเองรู้สึกคือเหมือนไม่เอาอะค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในร่องในรอยหรือเปล่าค่ะ จิตใจมันสบายขึ้นนะมันโปร่งโล่งเบาขึ้นทีนี้เราก็มาคอยรู้สึกเอาน ะ, ค, ะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจดูมันทํางานไปเรื่อยๆแต่ว่าขอไว้อันนึงว่าตกเย็ยนตกค่าหรือตอนเช้าก็ได้เอาสักรอบหนึ่งเอาไหว้พระไว้คไหว้พระสวดมนต์ไปทําสมาธิบ้างอย่าทิ้งนะสมาธิตอนนี้คือพยายามดึงตัวเองด้วยการมีวิหารธรรมถูกต้อง ก็ไม่ก็ไม่เอาค่ะคือมีความรู้สึกตัวเองก็ไม่เอาเชื่อจริงคุณใช้จิตเป็นวิหารธรรมได้ค่ะเราเห็นจิตทํางานได้เรื่อยๆเรียกว่าเอาจิตเป็นวิหารธรรมค่ะก็ดูอย่างนั้นแหละสักครูท่ที่ที่หลวงพ่อบอกว่า เ, าเราสามารถใช้คนคนรักเป็นวิหารธรรมเหมือนเหมือนเรียกชื่อเหมือนขานชื่ออยู่ในใจอันนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดราคาหรอคะถ้าจิตมีราคาเราก็รู้ทันนะบางคนท่องชื่อแฟนนะจิตเกิดราคา เสรแล้วพอท่องชื่อภรรยาจิตเกิดโทสะมันชื่อเดียวกันอะเพราะมันคนเดิมแต่คนเราเวลาเนี่ยเราบริกรรมไปนะแล้วอะไรเกิดขึ้นกับจิตเรารู้ทันเอาเนะค่ะขอบคุณค่ะไร่สี่สิบหกนักัฒการค่ะหลวงพ่อมาส่งกันบ้านในรอบหกเดือนค่ะแล้วไงอะก็ เยอะมากเลยอะค่ะเอาย่อๆหรืใหญ่ๆก็เลยอยากจะทราบว่าคือเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมีตัวไหนดีขึ้นบ้างรู้ทันกิเลสบ่อยไหมกิเลสยังคล่มงำจิตได้บ่อยไหอก่อนหน้านี้กิเลสคล่ำงมจิตค่อนข้างง่ายค่ะอย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะก็คือมีโทรศักระแทกเข้ามาอืม ก็เหมือนกับถอยมามองมันนะคะแล้วมันก็สลายไปก็คือไม่ได้รักมันค่ะก็ดีนี่ก็ดีแล้วนี่ไม่ทราบว่ายังอยู่ในร่องลอยหรือเปล่าคะอยู่สิมันก็เจริญแล้วเสื่อมอะหาวิหารธรรมไอันหนึ่งนะเอากายเป็นวิหารธรรมก็ได้นะเห็นร่างกายขยับขยื่อนเลยเนี้ยคอยรู้สึกบ่อยๆมันจะทําให้ดูจิตชัดขึ้นตอนนี้ใจมันกระจายกระจายไป มาดูไกลเพิ่มขึ้นหกสิบปดอยู่ข้างหลังกลับนมาสกการ์พระอาจารย์ค่ะช่วงี่เห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเห็นค่ะก็จิลเราไม่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกว่าตัวเองยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมากขึ้นเมื่อก่อนบางทีไม่เข้าใจว่าทำไมถึงบอกว่าเพ่งแต่ว่าสักพักก็เผลออีกแล้วไม่เห็นจะเพ่งเลยแต่ว่าพอช่วงหลังๆที่พระอาจารย์ให เพิ่ ม, มไม่ใชเมม่เพิ่มเหมือนกับกรรม ท, ที่บอกว่าแกงแขนนะคะหนูๆูก็ใช้การดูกายไปช่วยด้วยเนี่ยก็เริ่มเห็นว่าเออจริงๆแล้วตัวเองมีความไม่อยากแล้วก็ไม่ยอมรับในตัวเองที่เกิดขึ้นสภาพต่างๆอะคะ่ะก็เลยเริ่มเริ่มเห็นเท่านั้นนะคะแต่ก็เหมือนนะบางครั้งก็ยังเป็นอยู่แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมก็แต่ว่ารู้มากขึ้นนิดนึงที่ฝึกอยู่ดีแล้วนะไปทําอีกนะ แล้วอย่าทิ้งกายเอาเป็นฐานไว้เหมาะกับกายเหะสินะเหมาะเพิ่มใช่ไหมคะดูกายไปเรื่อยนะมันจะเห็นจิตชัดอ๋อตอนนี้พอจะดูได้แล้วตนาถูกแล้วเมื่อปอยู่ทางนู้นกับนรรมสการ์หลวงพ่อครับขออนุญาตส่งกันบ้านนะครับก็คอยรู้กายรู้ใจในชีวิตประจำวันแล้วก็เห็นสติเกิดได้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึก จิตตั้งมั่นเป็นกลางเออดีอไปดูอีกนะตอนนี้จิตไม่ถึงฐานหรือบอกไหมพอรู้สึกเริ่มกดกดตันอนน้นะ<อ>มันไม่ได้อยู่รู้เนื้อรู้ตัวสบายๆหรอกอนะ<อ>รู้ทันไหมร้อย้สเจดพวกเราดีขึ้นดีขึ้นนะแต่ละคนแต่ละคนกาบมาสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะเออลูกตาม ดูกายดูใจมาเห็นกิเลสตัวเองมากค่ะโดีแล้วบางครั้งก็ใจไม่เป็นกลางะะอะเก่งแต่ว่า น, นี้ก็รู้ทันไปอย่างนี้แหล ะ, ะน ะ, ะก็ขอกันบ้านค่ะโยมพยายามเคลื่อนไหวไ้ น, น ะ, คะเคลื่อนไหวทำงานบ้านทำอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวไป แล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจไปดีกว่านั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆเดี๋ยวเพ่งขอบพระคุณค่ะร66มันเคยเพ่องอะ่ะถ้าไปนั่งนิ่งๆแล้วมันจะเพ่องเอากลับนมันสการค่ะหลวงพ่ อ, อคราวที่แล้วมากลับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ามียังมีเพ่งอะค่ะก็กลับไปดูเดิมก็คิดว่าตังไม่ค่อยจะโกรธใครแต่พอกลับไปดูจะเห็นความไม่ชอบใจเล็กๆน้อยๆอะค่ะความขัดใจนิดๆ <DC. S 1> น้อยๆ แต่ก็รู้สึกว่ายังเพ่งอยู่อะค่ะหลวงพ่อทีนี้ก็เลยที่หลวงพ่อเคยบอกว่าเพ่งก็ให้รู้ว่าเพ่งแต่คิดว่าคงยังไม่เป็นกลางเพราะมันก็ไม่หายมันก็ยังมีเพ่งมันลดลงไปเยอะแล้วสังเกตไหมใจเราไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันเครียดตลอดเลยแต่นี้ไม่สบายด้วยแล้วนะภาวนามาถูกทางแล้วขอบคุณครับไปดูบ่อยๆเมื่อ44่สิ่วเดี๋ยวนี้ตรวจการบ้านง่ายใครส่งงานบ้านถูกทั้งนั้นเลยกราบนมัสการนะครับหลวงพ่อ เออผมจะถามว่าที่ปฏิบัติอยู่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นหตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วใจเป็นยังไงมันแบบไม่ค่อยนิ่งนะครับเออมันไม่นิ่งอย่าไปฝืนมันนะแค่รู้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้นะครับแล้วอย่างสภาวธรรมเมื่อกี้ครับผมฟังหลวงพ่ออยู่ปุ๊บพอเสียงประตูมันเลื่อนมันเหมือนแบบจิตไปอยู่ตรงประตูครับใช่จิตมันหนีไปได้แล้วปกตินะจิตมันหนีทั้งวันเลย ก็ให้รู้อย่างเดียวก็ให้รู้ทันว่าจิตหนีไปที่ประตูแล้วเห็นจิตมันวิ่งไปเนี่ยหลงไปทางหูคือหลงไปฟังครับนะบางทีก็หลงไปทางตาหลงไปดูเวลาเห็นสาวเดินมาจิตวิ่งไปที่สาวเห็นไหมเห็นครับก็มองก็รู้ครับเออรู้แล้วเป็นไงมันก็เฉยๆอะไรพอเฉยๆนะไม่โอ้สวยดี รแรกๆมันก็ดูสวยๆอยู่ครับพักหลังดูไปดูไปนะเพราใจ<น>มัใ น, ในชอบหรือว่าใจชอบนะบไม่แบบนี้ผิดนะถ้าแบบนี้เห็นสาวแล้วก็ทําใจทื่อๆอย่างนี้แล้วบอกว่าอุเบกขาอย่างนี้ทําผิดน ะ, ะนึกออกใช่ไหม อ, อ, อย่าไปแกล้งทําใจให้ทื่อๆน ะ, นะมันเป็นธรรมชาติเลยใจมันชอบหรือว่าชอบดีกว่าไปกลัวมันชอบแล้วทําทใจทื่อๆไว้ยังมีนะที่แกล้งทําใจทื่ๆอๆ ร้อยห้าสิบห้านทางนี้ทางนีงนออ้มาทรงกันบ้านหลวงพ่อคะ่ะหลังจากที่มากราบขอบกันบ้านไปเมื่อเดือนช่วงเดือนเมษายนนะคะออช่วงนั้นที่เพิ่งเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้ไม่นานเราจะเห็น เ, ออเหมือนก็ว่าเห็นนิมิตหรืออะไรเงี้ยคะ่ะแล้วหลวงพ่อกออ็ให้กันบ้านว่าก็คือมองอย่างเฉยๆเหมือนกับเห็นความคิดเราเกิดตั mm. ออ้ง มันก็จะเห็นว่าระหว่างที่ก่อนที่จะเห็นมันน่ยจะเห็นทั้งความกลัวความชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนหลังมันก็ดับไปจ ะ, จะจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะคะ่ะจะทําสติ ร, ระหว่างที่นั่งอยู่ในรถนะคะก็จะเห็นออมีอยูช่วงมันก็จะเห็นเห็นคล้ายๆกับว่าคือเห็นข้างนอกเนี่ยเห็นข้างนอกเนี่ยมันก็ผ่านไปเหมือนไม่ใช่เราแต่ข้างในเนี่ยมองไประยะหนึ่งเนี่ยค่ะมันก็ไม่ใช่เราเหมือนกัน แล้วมันก็ตกใจที่แบบมันไม่มีอะไรเหลือค่ะค่ะแต่ว่าพอตอนตกใจเนี่ยเห็นไม่ทันดีนะก็ไปดูให้ทันนะอะไรเกิดก็รู้ไปก็ลดความจงใจในการรู้ลงนิดนึงนะมันจงใจแรงไปนิดนึงรู้สบายๆไปดีนะที่ฝึกอยู่อ่ะหมดแล้วได้อีกนิดหน่อยใคร6หกสิบเจ็ดครับ นมาส ก, การหลวงพ่อครับแบบแบบพวกอะไรนะเราควรสตาร์ทประโยชนด้วยคําว่าครับเท่ดีออหลวงพ่อครับคือผมหินจิตเนี่ยเวลาเขาส่งออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะแค่แวบแวบแบ ว, แ ว, แวครับแล้วเขาก็คือมันเร็วมากครับหลวงพ่อครับเร็วมากครับเราก็รู้เขาเฉย ๆ, ๆครับในตอนดูครั้งแรกๆเนี่ย เวลาจิตไ ป, ไปสัมผัสกับสภาพวัฒนการนอกเนี่ยมันมีบางครั้งก็อาจจะมีชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นกลางๆยกเปนยกเวน้เวนอย่างเช่นราคาค ร, ราคาผมจะเกิดบ่อยเียครับบางครั้งก็เฉยๆบางครั้งก็ไม่ชอบเียครับ โทรศัพนี่เกิดน้อยครับแต่ที่เห็นคือบ่อยๆคือโมหะครับเพราะว่าใจมันจะไหลไปเรื่อยๆไหลปุ๊บแล้วก็เห็นแล้วทีนี้สักหน่อยก็ไหลไปอีกแล้วก็เห็นอีกทีนึงเราไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้ไหลนะแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่าเราบังคับไม่ได้ตอนนี้นี่แรงของสมาธินี่ผมอ่อนไปไหมครับต้องทําแบบแบบแบบพื้นฐานหรือแบบแผนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าทำไปบ้างก็ได้นะขับใจมันฟุ้งไปนิดหน่อยครับผมมีจุดบกพร่องที่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกครับหลวงพ่อครับ ก็ขยันดูหน่อยก็แล้วกันนะครับดูบ่อยๆอ่ะแล้วก็จิตใจมุ่งมั่นเด็ดเดียวอยากจะพ้นโลกไหมหรือยังอะไรอววรกับโลกอยู่บางช่วงอยากพ้นโลกครับบางช่วงยังอะไรอวรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอะไรละวรในส่วนของคนอื่นมากกว่าครับในของตัวเองนี่ยังไม่เท่าไหร่ครับหลวงพ่อให้รู้ทันนะอย่าไปอะไรอววรอย่าไปพ่วงพระวงอะไรนะพระอนางเราอย่าไปห่วงคนอื่นเลยเสียเวลา เดี๋ยวจะไปเป็นพระโพธิสัตว์ลําบากร้อยสี่สิบกลามณฑลการหลวงพ่อคะ่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาได้ประมาณ4ี่หเดือนนะคะแล้วก็พยายามปฏิบัติตามหลักในซีดีแต่รู้สึกว่าสับสนมากคะ่ะก็เลยรู้ทันใจของเราไหมล่ะอย่างใจเราสับสนเรารู้ว่ามันสับสนใจเราโกรธรู้ว่ามันโกรธใจหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดโกรธ ก, กับหงุดหงิดไม่เหมือนกันรู้สึกไหมค่ะนะลาคาญ ไปดูนะโทสะเยอะ <รา S 2> ดูมันดูง่ายกิเลสนะอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันฝึกอย่างนี้บ่อยๆก็คือควรจะดูจิตให้มากใช่ไหมครับใช่ขอบคุณเจ้าค่ะ179กล่วกาวนมรส ก, การหลวงพ่อคะ่ะคือมีความรู้สึกว่ามันหลงหล ง, หล ง, หลงอยู่ไงไม่ทราบอะหลงทางกลับบ้านไม่ถูกแล้วก็บางครั้งเนี่ยดูใจสินะ ใจเราหงุดหงิดใจเราไม่พอใจนะใจเราไม่มีความสุขอะไรเงี้ยเราก็รู้ทันเอานะมันจะหลงไปไหนจิตมันหลงไปไหนไม่ได้หรอกจิตยังไงก็ต้องกลับมาอยู่ในร่างกายนี้แหละเวลามันวางมันวางจริงหรืมันขม่มนั่นแหละมันเครียดไปนะให้รู้ไปสบายๆอย่าไปวางเรื่องการข่มเอาไว้อย่าให้เครียดนะเพระาะน่ะเครียดไปทาให้สบายๆเราต้องทาอะไรเพิ่มไหมคะ ชอบทําอะไรบ้างล่ะชอบหมดชอบชอบทำงานอดีเล็กอะไรบ้างอ่านหนังสือหนังสออือประเภทไหนคาตกรรมอะไรเงั้นมั้ <c oughs> อ่านทุกแนวอะค่ะหรอ <c oughs> หร อ, อ่านหนังสือนี่เล่นตัวจิตยากเลยพราะเวลาอ่านมันเป็นจดจอนะเดี๋ยวนี้พออ่านก็มันไม่สนุกไม่สนุกครกับ <c oughs> เออถ้าอย่างนั้นใช้ได้ไม่อ่านอีก <c oughs> อ่านแล้วก็รู้ทันใจตัวเองเป็นระยะระยะนะ <c oughs> นอกจากอ่านหนังสือทําอะไรอีก ก็นั่งสมาธิเงี้ยค่ะเลนะไปอ่านหนังสือหมนั่ น, ไ, ไ, นไปอ่านหนังสือไหมนั่งสมาธิมากๆตอนนี้มันจะไปกดข่ยมย๋ยไมนจะเครียดอ่านหนังสือนะแล้วก็พอใจเราเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมารู้ทันรู้ทันไปเรื่อยกระทั่งเกิดความรู้สึกเบื่อก็รู้ทันว่าเบื่อร้นะอยหกสิบเก้ากรรมธรรสการพระอาจารย์ค่ะ หนูได้ฟังพระอาจารย์มาประมาณหกเดือนแล้วค่ะอยากถามพระอาจารย์ว่าจิตหนูตื่นยังค่ะหลวงพ่อถามเองดีกว่าจิตหนูเป็นยังไงบอกมาซิตอนนี้ตื่นเต้นค่ะอืเห็นกิเลสไหมเห็นทำเมื่อวานเห็นโทสะสองครั้งฮะทําไมน้อยจังเลยวันหนึ่งเห็นสองครั้ง <c oughs> อยู่อเฉพาะเมื่อวานค่ะแต่ปกติก็เห็นกิเลสหลายตัวค่ะส่วนใหญ่จะเห็นเฉพาะตัวใหญ่ๆค่ะ ใหม่ๆก็เห็นตัวใหญ่ๆก่อนนะเราอยรู้ค่อยดูเนี่ยต่อไปตัวเล็กตัวน้อยก็เห็นนะตัวเล็กตัวน้อยดูไม่ทันค่ะไม่เป็นไรตาแรกๆก็อย่างนั้นแหละหัน ด, ดูบ่อยๆต่อไปไมันจะเห็นนี่ระหว่างที่กิเลสยังไม่โผล่จะทํำยังไงดนะีดูร่างกายไวนะ้เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายเหลียวซ้ายแลกว่านะใจเราเป็นแค่คนดูเราเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเหมือนเราเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวนะ ดูเห็นร่างกายพยับหน้านะรู้สึกไหมดูกายได้ชัดรู้สึกค่ะนะดูกายนะเหมาะกับการดูกายดูกายแล้วมันสติมันชัดรู้สึกไหมมันชัดขึ้นชัดขึ้นค่ะนะดูกายเอาถ้ดูกายได้ดีแล้วจะเห็นจิตได้ชัดขึ้นด้วยค่ะไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตนะแต่ละคนไม่เหมือนหรอกทางใครทางมันเมื่อ12บสอแบบนมัสการค่ะคือหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่า ดูดูจิตเนี่ยมันไม่ค่อยมันโม่โม่เบลอๆไปก่อนเดิมที่เคยทำเลยไม่ทราบว่าไปติดขัดหรืออะไรอยู่ที่ไหนเคลื่อนไหวไหมนะกระดุกกระดิกไว้ใช้อารมณ์ที่มันไม่ซ้ำซากอ่ะไม่งั้นใจมันเฉ่ยเลยต้องต้องเพิ่มพยายามกระดุกกระดิกทำ ง, งานทำไปนะไม่ต้องไปกังวลว่าไม่ชัดอะไรตอนนี้ไม่ต้องไปกังวลมันเคลื่อนไหวไ ป, ไปเรื่อยแล้วรู้สึกออกนะหมดเวลานะเชิญ วันนี้มีคนช่วยสอนหลายคนนะมีครูบานะมีแม่ชีมีด็อกเตอร์หนุย่ยมีคุณมารีมีหลายคน